จบบทที่สองอายตนะหกเสียงอ่านโดยอริยะคุณจมรมพลดีโปรดติดตามต่อในหัวข้อต่อไปซึ่งแนะนำให้ฟังตามลำดับจะดีที่สุดนะครับโดยคนเริ่มต้นที่บทเริ่มต้นพุทธธรรมเป็นอย่างแรกขออนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมดังนี้สุภาพรเทียมบุญประเสริฐครอบครัวทรงพลครอบครัวมาโสภาครอบครัวแทนมวลกนสิริอังกุลานนสุภิญญาจารู้รัตกิจ บัวสดชัยเมืองอุณพินสุกลึงกริิยานีผานพิสุทธิ์ภรดีสมานสุวรรณพัทราพลชัยยพนาคุลพัชราพรพัทราวรคุณทันสิตาวัฒนาสุนทรฤไทยัยนัชชาอภิวราวุฒิจัดสุดามนัตร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและในรายละเอียดทุกช่องทางที่ชมรมผลดีเผยแพร่ขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับท่านที่ไม่ประสองค์ออกนามด้วยนะครับ